ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอนาปานสติตอนที่หนึ่งตราที่ยังมีลมหายใจอยู่จงอยู่ด้วยอนาปานสติอย่างพระพุทธเจ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินดื่มขับถ่ายทําครัวทําความสะอาดบ้านขับรถทํางานทุกชนิดให้อยู่กับอานาปานสติเดินเล่นพักผ่อน ก็ทำอาณาปานสติได้พูดได้ว่าชีวิตทั้งหมดนี้ให้อยู่ด้วยอาณาปานสติเจริญอาณาปานสติเพื่อเป็นการรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นศีลโดยเพียงแต่กาหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่าเสมอไม่ลืมไม่เผลอ แม้แต่ขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้รู้รสได้สัมผัสการกำหนดรู้ต้องอาศัยจิตใจที่สงบจึงจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะฝึกอานาปานสติต้องพยายามปล่อยวางความคิดต่างๆพยายามทำใจให้นิ่งให้สงบเสียก่อนแม้จะเป็นความสงบเพียงชั่วคราวก็ตาม อาณาปานสติทำได้ในอิรยาบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนให้มีสติระลึกรู้ทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกติดต่อกันโดยเฉพาะช่วงที่ปรารบความเพียรทำได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันหนึ่งทีเดียวหรือเว้นเฉพาะขณะหลับเท่านั้น อานาปานสติสามารถจเจริญเป็นสมถกรรมฐานให้สมบูรณ์ได้อานาปานสติสามารถจเจริญเป็นวิปัสสนากรรมฐานให้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ได้ในอิริยาบทบางอย่างไม่สะดวกที่จะเจริญอานาปานสติหรือกำหนดรู้ลมหายใจเช่นขณะที่กำลังขับรถบนถนนบนทางด่วน เราไม่ต้องกังวลคือไม่ต้องระลึกถึงลมหายใจแต่ให้อยู่ในหลักอานาปานสติให้ครบถ้วนคือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันเป็นสำคัญเรื่องอดีตไม่สำคัญไม่ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตไม่สำคัญไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนอื่นไม่สำคัญเท่าไรโดยเฉพาะความชั่วของคนอื่นอย่าแบกบ ตัวเราเองทําดีทําถูกนั่นแหละสําคัญที่สุดขอให้ตั้งใจขับรถดีที่สุดอย่าให้เกิดอุบัติเหตุก็ใช้ได้ใครขับรถไม่ดีไม่รักษากฎจราจรแซงตัดหน้าเราเกือบชนเกือบมีอุบัติเหตุก็ตามหน้าโมโหอยู่แต่ช่างมันเรื่องความชั่วของเขาอย่าให้เราเกิดโมโห อย่าให้ใจเสียอย่าให้เกิดอุบัติเหตุรักษาใจให้เป็นปกติใจดีและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อเราจเจริญอานาปานสติเป็นประจำเราจะมีสติตลอดเวลาสามารถจัดการกับงานหลายอย่างที่เร่งรัดเข้ามาในเวลาเดียวกันได้เพราะเมื่อรู้สึกวุ่นวาย สติจะกำกับให้กลับมาที่ลมหายใจทันทีโดยอัตโนมัติจิตจะเริ่มสงบและรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทีละอย่างทาให้เกิดปัญญาที่จะแก้ไขหรือจัดการกับงานเหล่านั้นให้สำเร็จทีละอย่างและเมื่องานแล้วเสร็จสติจะกํากับให้กลับมาที่ลมหายใจทันทีที่ว่างจากงาน เป็นการพักผ่อนด้วยอาณาปานสติชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอาณาปานสติคือทําหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจดีมีสุขอาณาปานสติอาณนะในวงเล็บอซาสะคือลมหายใจเข้าอาปาณาคือปัดสาสะคือลมหายใจออก อาณาบวกอาปาณนาะคืออาณาปาณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติคือความระลึกรู้การกําหนดรู้ในปัจจุบันไม่ใช่การคิดจําเอาอาณาปาณสติคือการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในปัจจุบันแต่ละขณะ อ, อิรยาบดแห่งอาณาปานสติหลวงพ่อชาอธิบายว่าเมื่อใดที่เราระลึกรู้ลมหายใจก็เป็นอาณาปานสติเมื่อนั้นลมหายใจนี้มีอยู่ตลอดเวลาทุกอิอริยาบดยืนเดินนั่งนอนแม้ขณะหลับอยู่ก็มีลมหายใจเฉพาะอาณาปานสติขั้นที่สีเท่านั้นที่ต้องระ ง, งับลมหายใจ แล้วเข้าสู่ฌานในการปฏิบัติเราต้องอาศัยอิริยาบถนั่งมากเป็นพิเศษทำให้หลายท่านพูดว่าการเจริญอนาปานสติทั้งในอิริยาบทยืนเดินนอนนั้นผิดพุทธบัญญัติต้องเข้าป่าแล้วก็นั่งขัดสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วในอนาปานสติสูตร ท่านก็ไม่เคยบอกว่าปฏิบัติไม่ได้ในอิริยาบถยืนเดินนอนแต่ที่นั่งจเจริญอาณาปานสติก็เพราะว่าสะดวกยิ่งอาาปานสติขั้นสี่นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะระงับกายสังขารเข้าฌานก็ต้องนั่งการปฏิบัติในเบื้องต้นให้พยายามรักษาความรู้สึกที่ดี หรือจิตที่เป็นกุศลเอาไว้ตลอดเวลาทุกลงหายใจเข้าออกในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสําหรับบางคนอิริยาบถยืนเดินอาจเหมาะสมกว่านั่งแต่เมื่อจะฝึกเข้าฌานหรือวิปัสสนาขั้นละเอียดอิริยาบถนั่งน่าจะเหมาะสมกว่าในที่สุด กำลังสติปัญญาก็ต้องเสมอกันในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถเสมอกันเป็นมหาสติมหาปัญญาอิริยาบถยืนยืนอนาปานสติ ยืนอย่างสำรวมเท้าทั้งสองห่างกันพอสมควรประมาณ20เซนติเมตรเพื่อยืนให้ได้อย่างมั่นคงและเอามือขวาทับมือซ้ายวางลงบนหน้าท้องเหมือนกับท่านั่งเพื่อให้ดูเรียบร้อยแต่ถ้าอยู่คนเดียวจะปล่อยมือข้างตัวตามสบายๆแบบโครงกระดูกที่ถูกแขวนไว้ก็ได้ จากนั้นทอดสายตาให้ยาวพอดีพอดีประมาณเม็ดครึ่งแต่ไม่ให้จ้องอะไรกําหนดสายตาไว้ครึ่งครึ่งระหว่างพื้นดินกับตัวของเราเองทั้งนี้เพื่อไม่ให้ดูอะไรเป็นพิเศษนั่นเองหรืออาจกาหนดดูที่ปลายจมูกก็ได้บางครั้งอาจกาหนดสายตาไว้ที่สบายตาเช่น กาหนดที่สนามหญ้าสีเขียวต้นไม้ดอกไม้หรือสระน้ำแต่ไม่ให้คิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวถ้ารู้สึกมีอะไรเกะ ก, กะตาหรืออยู่ได้กันหลายคนอาจจะหลับตาก็ได้เหมือนกันแต่ระวังอย่าให้ล้มต้องมีสติทรงตัวไว้ให้ดีหายใจจากทางเท้าหายใจเข้าลึ ก, ลก ยืดตัวหน่อยหน่อยหายใจออกสบายสบายปล่อยลมลงตามตัวทางเท้าหายใจเข้าลึกๆึกยืดตัวหน่อยหน่อยตั้งกายตรงหายใจออกปล่อยลมหายใจลงเท้าสบายสบายสองถึงสมครั้งหรือสมถึงสี่ครั้งหายใจเข้าลึกๆึกหน่อยหน่อยจากนั้น หายใจสบายๆธรรมดาธรรมดาแต่ส่งความรู้สึกให้มันถึงเท้าทุกครั้งทำความรู้สึกคล้ายกับว่าลมเข้าลมออกจากทางเท้าวิธีนี้ช่วยทําให้ลมเข้าลมออกยาวขึ้นโอปนญิโกน้อมจิตเข้ามาดูกายยืนไม่ให้จิตคิดออกไปข้างนอก ให้มีความรู้ตัวชัดๆในการยืนยืนเฉยๆทุกอย่างให้มันเป็นธรรมดาธรรมดายืนสบายๆนั่นแหละดีและถูกต้องรู้ชัดว่ากายกำลังยืนรู้ชัดว่าลมหายใจปรากฏอยู่ลมหายใจปรากฏอยู่อย่างไรก็รับรู้รับทราบกาหนดรู้ระลึกรู้เฉยๆ มีหลักอยู่ว่าความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตให้อยู่ที่นั่นการระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าคือการรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ติดอารมณ์การหายใจให้ปล่อยตามธรรมชาติและธรรมดาที่สุดสบายสบายที่สุดกําหนดเบาๆ ให้พยายามมีความรู้สึกนิดหน่อยว่ามีลมเข้ามีลมออกไปทุกครั้งเท่านั้นถ้าสบายสงบมีความสุขแสดงว่ากําหนดได้ถูกต้องถ้ากําหนดลมหายใจแล้วรู้สึกเหนื่อยเครียดและสับสนแสดงว่ากําหนดไม่ถูกต้องให้พิจารณาทบทวนใหม่อย่าบังคับลมหายใจมากมาย หายใจสบายสบายเป็นธรรมชาติที่สุดการส่งความรู้สึกหรือจิตไปถึงเท้าก็เพื่อให้ลมหายใจค่อนข้างยาวขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองนี่เป็นวิธีการหายใจทางเท้าการฝึกกระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการฝึกเจริญสติเป็นการรักษาความรู้สึกให้เป็นปกติคือเบาสบาย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นการตั้งเจตนาถูกต้องเป็นการรักษาใจให้เป็นปกติคือใจสงบใจเป็นศีลศีลถึงใจเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมม า, ป, มาปฏิปทา อ, อิรยาบทเดินเดินอาณาปานสติการเดินที่ถูกต้องคือเดินอย่างธรรมดา เอากายอาใจมาเดินเมื่อกายกำลังเดินให้ใจเดินด้วยกันไม่ใช่ว่าเมื่อกายกำลังเดินใจคิดไปเที่ยวในอดีตอนาคตหรือคิดเที่ยวไปทั่วโลกอย่าให้กายกับใจทะเลาะกันอยู่คนละทิศคนละทางให้กายกับใจสามัคคีกันรักกันอยู่ด้วยกัน ให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินเดินให้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติที่สุดลักษณะาการเดินมีมากมายหลายวิธีและแต่สานักและครูบาอาจารย์เดินช้าช้าช้ามากๆชั่วโมงละสิบถึงส0เมตรก็ได้ค่อยๆเดินเดินอย่างธรรมดา เดินเร็ววิ่งก็มีโยมคนหนึ่งบอกอาจารย์ว่าหลวงพ่อใหญ่คืออาจารย์มั่นเดินเร็วมากท่านเดินกลับไปกลับมาและเดินเร็วมากวิธีกำหนดขนาที่เดิน มีสองวิธีด้วยกันคือการกำหนดที่กายและกำหนดที่จิตวิธีกำหนดที่กายคือการตั้งใจเพ่งกำหนดโดยการเคลื่อนไหวของเท้าเช่นเดินช้าๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนอค่อยๆเดินพยายามกำหนดรู้เท้าสัมผัสดินหรือทำความรู้สึกอยู่ที่การก้าวขวาก้าวซ้ายก้าว บางทีให้นึกก้าวขาขวาว่าพุทธก้าวขาซ้ายว่าโทขวาพุทธซ้ายโทยพุทธโทพุทธ โ, ทท โ, ททโทเป็นต้นวิธีกำหนดที่จิตตั้งใจรักษาจิตหรือพินิจพิจารณาในหัวข้อทามต่างๆไม่ต้องกังวลในอิริยาบถยกย่างเหยียบเช่นพิจารณาความตาย พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะหรือแยกออกเป็นธาตุสี่เป็นต้นเดินธรรมดาหรือเดินเร็วหรือเดินช้าๆและแต่จริตนิสยัยของแต่ละบุคคลไม่ต้องกังวลในเท้าที่เคลื่อนก้าวไปการฝึกอนาปานสติจะกำหนดทั้งกายและจิตพร้อมกันลมหายใจเข้า ลมหายใจออกคือกายจิตก็อยู่ที่ลมหายใจเฉพาะหน้าการกำหนดรู้ลมหายใจจึงเป็นการตามดูจิตเป็นการรักษาจิตด้วยเดินจงกรมเราจะฝึกเดินจงกรมแบบธรรมชาติที่สุดให้เดินธรรมดาแต่ช้ากว่าปกตินิดหน่อยขวาเก่าซ้ายเข่าขวาเก่าซ้ายเข่า เดินไปเรื่อยๆนั่นแหละคือเดินจงกรมเดินเฉยๆธรรมดาธรรมดาแต่ให้มีอาการสำรวมระวังในการเดินมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกครั้งบางคนอาจไม่เคยชินกับการกำหนดลมหายใจขณะเดินเพราะว่าความรู้สึกที่เท้ากำลังก้าวอยู่ ความรู้สึกที่ฝ่าเท้ากำลังถูกดินความรู้สึกตัวในตอนเดินเด่นชัดมากกว่าลมหายใจหลายเท่าหลายสิบเท่าก็เป็นได้แต่ไม่ต้องสงสัยอะไรอะไรที่กำลังปรากฏอยู่โดยธรรมชาติรับรู้รับทราบหมดรู้ชัดว่ากายกำลังเดินแต่เราไม่ทิ้งลมหายใจให้มีความพยายามที่จะกำหนดรู้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้นิดหน่อยว่าลมเข้าลมออกเท่านั้นเบาขนาดไหนก็ช่างมันแต่ให้มันรู้ติดต่อกันเดินไปเดินมาเริ่มจะเมื่อยคอเมื่อยหลังหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งยืดตัวหน่อยๆเป็นระยะระยะ เพื่อช่วยผ่อนคล า, ายความรู้สึกทำให้เบาตัวสบายตัวเดินไปเรื่อยๆถ้าจิตไม่สงบหยุดเดินก่อนก็ได้หายใจเข้าลึกๆสองถึงสามครั้งหรือนานพอสมควรจนกว่าจิตจะสงบเรียบร้อยตั้งหลักตั้งสติและค่อยๆเดินต่อไป เดินกำหนดอาณาปานสติเหมือนการยืนกำหนดอาณาปานสติต่างกันเพียงการเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นไม่ว่าจะวิ่งเดินเร็วเดินธรรมดาเดินช้าหยุดอยู่คือยืนเราก็มีหน้าที่ระลึกรู้ทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกติดต่อกันเท่านั้นหาจุดสบยสบาย หายใจเข้าสบายๆหายใจออกสบายๆเป็นการเจริญสติที่จะระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการรักษาจิตใจให้เป็นปกติเป็นการรักษาความรู้สึกให้เป็นปกติคือเบาสบายหายใจสบายๆกายสบายใจสบายสบาย อ น, นิสงของการเดินจงกรมมี5อย่างคือ 1. เป็นผู้อดทนต่อความเพียน 2. เป็นผู้อดทนต่อการเดินไกล 3. เป็นผู้มีการเจ็บไข้น้อย 4. อาหารที่บริโภคเข้าไปย่อยง่าย 4. อาหารที่บริโภคเข้าไปย่อมย่อยง่ายห สมาธิซึ่งได้ขณะเดินจงกรมดำรงอยู่ได้นาน อ, อิริยาบทนั่งนั่งกำหนดอานาปานสติใครเคยฝึกนั่งสมาธิในท่าไหนหรือถนัดท่าไหนก็ให้นั่งท่านั้นนั่งขัดสมาธินั่งพระเพียบกับพื้นหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่หลังตั้งตรง และไม่ควรพิงหลังกับสิ่งใดเพราะจะทำให้เกิดความสบายมากไปทำให้ง่วงนอนได้ง่ายโบราณจารย์สอนไว้ว่าลักษณะาการนั่งที่เรียบร้อยนั้นให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพอเหมาะพอดีพองามไม่ให้เอียงขวาเอียงซ้าย ไม่ก้มหน้าเกินไปและไม่เงยหน้าเกินไปให้เอาท่านั่งของพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างพยายามนั่งให้เรียบร้อยอย่างนั้นเมื่อใครได้เห็นย่อมรู้สึกศรัทธาเกิดความชื่นอกชื่นใจด้วย